พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24ทธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าให้ทุกแก่ท่านทุกขนั้นถึงตัววันนี้เป็นวันที่24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 เหล่านี้พวกเราต้องรู้จักเลือกเฟ้นไปอยู่นัสถานที่ใดไม่ใช่พระบวชใหม่นะทั้งพระบวชเก่าทุกองคก็เหมือนกันที่มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วมาศึกษากับหลวงพ่อหลวงพ่อให้ไปนัดสถานที่ใดให้สังเกตตาดูหูฟังใจคิดกันกลองไตรตรองเหตุและผล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 เฉยนิ่งเฉยพระพุทธองค์บอกว่ามันไม่ใช่แต่ในชาตินี้นะในชาติที่ก่อนก่อนก็เหมือนกันเทวทัตจะเบียดบียนลังแกเราเนี่ยนะแต่ว่ามันเหมือนกับเอาฝุ่นชัดทวนลมฝุ่นนั้มันจะต้องมาหาตัวเองพรามันชัดทวนลมเราไม่มีไม่ละคายเครืองเลย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 งูตัวหนึ่งมัน ด, ด, ดูดูดูกิ่งง้าครบไม้อยู่ข้างบนอยู่ในครบไม้ทีนี้ก็มองมองตรงไปลูกเป็นงูอะไรบอกเอ๊ทางวัดให้เด็กหมูนี้ขึ้นไปจับงูตัวนั้นถ้า ง, งูกัดมาเราก็จะได้รักษาเขาก็จะมีค่าหยุกค่ายาเกิดเกิดขึ้นพอมันงูกัดเด็กค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 งูแต่มัน ก, กัดเลยว่างั้นไงกัดคอหมองูเลยเออพอกัดงูงูเพชรเนี่ยงูสรลเพชรเนี่ยอาจจะเป็นงูจงอางงูเห่าก็ไม่รู้ไนงะหมองูก็ล้มหงายตึงเลยเยาตัวเองฝนไม่ทันใช้ไม่ทันเลยตายเลยคนทั้งหลายก็แตกหือกันเข้ามาทั้งหมู่บ้านก็มาก็มาถามไทยว่าเป็นยังไง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 ให้คนอื่นเดือดร้อนใครคิดจะให้คนอื่นตายกรรมนั้นจะต้องตามสนองมาหาตนเองพระโพธิสัตว์เด็กคนนั้นพูดในชุมชนที่คนมาดูโปกข้าวพเจ้าเน่ยเป็นคนขึ้นไปเอากจับงูตอนนี้นเวียงลงมาข้าวพระเจ้าก็ไม่ได้เจตนาว่าจะให้มันถูกใครแต่ข้าพระเจ้าก็ตกใจเพราะจับมันกูเวียงเลยเว่าเป็นงูไม่ใช่เป็นนกอ่ะ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 เพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปทําถ้าทําไปแล้วกรรมตอนนั้นไม่ไปหาไม่ไม่ไปไหนมันจะต้องมาหาตนเองนะพราะพทธองค์ท่านบอกว่าพราหมณ์คนนั้นนะ่ะคือระเทวทัตเด็กหนุ่มเด็กในเป็นลูกพราหมนะ่ะคือเรานะคงจะมีชาติเดียวตอนนั้นมั่งที่พระพุทธเจา้าเอาชน ะ, ะเทวทัตได้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 ต่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือหลักของพุทธศาสนายึดหลักกรรมคือการกระทําพวกเราได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเกือบจะว่าทั้งนั้นที่เน้นหนักเรื่องการกระทําอย่าทํำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอยา่าทำ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 สิ่งที่ให้เกิดก็คือวิญญาณคือใจคือนามธรรมตัวที่รู้รู้อย่างนั้นตัวนั้นแหละสําคัญคหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นคอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะจะไปเป็นคราวญญาติยาโยมจะไปทําหน้าที่การงานไหนไหนหพวกเราเป็นชาวพุทธต้องสํานืกต้องสํานึกไปอยู่เสมออย่าไปทํากรรมที่มันไม่ดีถึงเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามเรารู้ว่าสิ่งที่มันไม่ดี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 คราวนี้ครั้งนี้ที่หนักหนาสาหัสขนาดนี้เพราะเราทำกรรมไว้ในอดีตไม่ดีแะสิ่งเหล่านี้ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านจะพูดให้พวกเราได้ อ, อได้ยินจะรูแล้วทังว่าอย่าทําในสิ่งอย่าพูดในสิ่งที่มันอย่าคิดอีกต่างหากในสิ่งที่มันไม่ดี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 อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้หลักของพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์อย่าทําอย่างนั้นเมื่อเขาทําเราจะไปผูกเวนเราจะไปทำร้ายทำลายเขาพยายามหลีกหนีให้ห่างอันนั้นคือพาละชนถ้าเราไปทําเขาไปเราก็พิจาเสียอีลานพันตูกันไม่เกิดประโยชน์หนีให้ห่างเอาไว้ แต่คนโบราณเขาบอกว่าหนีช้างหนีม้านี่หนีขึ้นไปต้นไม้สูงสูงก็พ้นได้แต่หนีมนุษย์คนพาห น, นี่หนีให้จุดฟ้าเขาเขียวหนีให้ไกลที่สุดนี่หนีคนพานพานละชนนี่แหละสรุปแล้วก็คือเราให้หนีใจของเราให้หนีห่างให้ใจของเราหนีห่างแต่เราจะเอาชนะยังไง กับสิ่งเหล่านั้นถ้าจะเอาให้เด็ดขาดจริงๆก็ไม่มีทางอื่นกับต้องพยายามนั่งสมาธินะนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบอย่างหลวงปู่หนูท่านพูดให้หลวงพ่อฟังสมัยหลวงพ่อไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่หมีโยมาอาศัยวัด แล้วก็แม่ของอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นแม่ชีแต่ไอเด็กที่ไอโจมที่มาอาศัยวัดน่ะมันเป็นประสาทอ่มันเป็นประสาททีนี้ก็มันประสาทมันขึ้นน่ะมันโมโหขึ้นมานเอากามีดฟันแม่ชีที่เป็นแม่ของอาจารย์แม่อาจารย์ก็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 หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อยังจำไม่ลืมหลวงพ่อโอ้โหาหาได้ยากมากที่เขาฟันกันก็ถือว่าเป็นกรรมกรรมของแม่จะช่วยยังไงเพราะเหตุหอะไรเพราะมันฟันถึงขนาดนั้นแล้วถึงไงกับ ม, มันไม่รอดแหละไปเห็นแล้วมันไม่หลอดอแม่ตายแน่อพอมันฟันขนาดหนักถ้าเราไปเตะนันอีกให้มันตายอีก ใครเป็นคนรับอีกจเนียมันก็เลยต่อเนื่องไปอีกเนี่ยท่านก็เลยทิ้งคอนเลยไม่ทําอะไรเลยโยนคอนทิ้งแล้วก็ถ้าท่านไปตีก็ไปตีได้เนี่ยพอมันไอ้นั้นมันก็คงจะไม่มีอะไรมันก็โมโห้คนนั้นอันนี้มันจะรู้อะไรก็ไปกับคอนมูดเลยฮะมันก็คงจะสลบสลายไปอีกเหมือนกันแต่ทินทํายังไงได้นะเนี่ยท่านก็มานั่งภาวนาอันนี้คือ ชื่อว่าหลวงปู่แต่หลวงพ่อจำไม่ผิดนะอาจารย์ทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือต้องเบรคถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่มีไม่เคยฝึกจัจิตใจไว้ก่อนเนี่ยมันคงจะเบรคไม่อยู่เหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะอนี่ท่านรู้สึกว่าท่านเบรกท่านถือว่ากรรมกรรมของแม่กรรมของไอ้นัน้ไนไอ้ขี้ข่า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 เราก็มีแต่ทาใจของเราท่านเองนี่แหละสรุปแล้วก็คือบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องทําใจเมตตากรุณามุติตาแล้วก็อุเบกขาฮอุเบกขานี่ก็คือทําที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสุดวิสัยสุดวิสัยที่จะช่วยเหลือถ้าว่า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 ถึงข่าวถึงขราวขอวิบัดถึงข่าวตกทุกข์รยากไม่ช้ำไม่เติมเขาไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าถือว่ากรรมของใครกรรมของเราเกิดมาในโลกจะทำยังไงได้ไอ้นนี่็คืออุเปกขาแต่ว่าทำอุเปกขาเนี่ยเป็นทำขั้นสูงนะถ้าคนที่รักเมตตาที่เรารักมากๆเลยจะวางอุเเกรกขามั น, ม, นมันยากที่เหมือนกันนะ แต่ว่ามันต้องฝึกเอาไว้เหมือนกันถึงจะทำไม่ได้ก็ต้องฝึกเอาไว้เหมือนกันอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ให้พวกเราได้เป็นแนวความคิดระบบนึกคิดถ้าคนมีอุเบก ข, ขาในจิตในใจแล้วน่แหละเราเกิดมาในโลกดูที่เกิดปานตั้งแต่เกิดมามีอะไรบ้างเราเกิดมาอย่างไง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 ที่ว่าอุอเปบกขาเนี่ยมันก็ใช้ได้นะแต่มันก็ใช้ยากาถ้าถ้าถ้าคนไม่มีธรรมในจิตใจจริงๆจะใช้ยากทําผู้มีธรรมในจิตใจจริงๆเคยฝึกเรื่องจิตภาวนามาก่อนทาใจมาก่อนฝึกจนชำนิชำนาญทั้งสมาธิทั้งวิปัสนาทั้ง ส, ส, สมาธิวิปัชนาสมาธิวิปัชนา อันนี้เราจะเราจะใช้ได้ง่ายแต่ถึงยังไงถ้าว่คคาผูาาาา้เป็นพระอริยบุคคลพระโสดาสกทาคานาคาเป็นพระอรหันแล้วนนั้ไม่ต้องพูดถึงท่าท่านเป็นพระอรหันแล้วเ อ, อธรรมดาแต่ยังเป็นปุตุชนเนี่ยเราจะใช้บทนั้นได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องต้องได้คิดไว้อย่างที่ที่วาน่ะต้องทดสอบทดลองทดลองทดสอบทดสอ บ, ท ด, สอบทดลองเ อ, อทั้ง ทั้งวางทั้งยึดทั้งปล่อยทั้งวางถ้ามีธรรมอยู่ในใจต้องเป็นการฝึกซ้อมวาอยู่เสมอถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้อุปเปกขาได้ง่ายถ้าว่าเราไม่มีธรรมอยู่จุดนี้นะเราจะถ้าดีใจเราก็จะดีใจมากถ้าเสียใจเราก็จะเสียใจมากถ้าทุกข์มันก็จะทุกข์มากถ้า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 เราจะภาวนาอะไรจะทำให้จิตใจของเราอยู่ในระดับนี้ฮมันต้องเป็นสมาธิก่อนใจของเราต้องมีสติสัมปะชัญญะเนยสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวให้มีสมาธิอยู่ในตัวเองอ่าเริ่มเริ่มสมาธินะเข้าสมาธิ มันรู้จักเบรกนะสมาธิเนี่ยนะคือเบรกสิ่งที่เบรกใจออทําเบรกให้แก่ใจถ้าไม่งั้นเบรกมันแตกน ะ, ตะเตร์ดเปิดเปังทําความชั่วเสียหายมันลืมตัวเองอนะ่ะมันเบรกแตกนะแต่นีธถ้มมันมีเบรกอยู่นะมันจะรู้จักว่าข้าเป็นใครควรทำอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรในสถานะสถานการณ์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวนี้นอ่ะมันจะมีเบรกเพราะอะไร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 พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบในใจจากนั้นก็เอามือลงเอามือลงก็ฝึกแล้วสิตั้งสติสัมปชัญญะในปลายจมูกของตนเองไม่ให้มันเคลื่อนไหวไปทางอื่นอย่าให้มันหลุดสติสัมปชัญญะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ ถ, ถ้ามันหลุดไปพยายาม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 มีสติสัมปชัญญะมันกนอ็อยเลยมันจะขยับเราก็รู้เลยมันจะขยับเพราะสติของเราทันมันอยู่นี่แหละเอาขนาดนั้นแหละเทไงมันรู้ได้กระทั่งมันมันจะขยับมันจะไปมันก็รู้เลยเพราะเรามีสติในการดูการสังเกตหรือว่าการจับกิจของเรานะ นี่แหละจากนั้นมันมันก็มันจะไปที่ไหนได้แต่่เมือควายตัวนั้นวัวตัววัวตัวนั้นก็นอนหลับแล้วนี้เอ้มันมันไปไม่ได้เพราะมันเจ้าของไม่ให้ไปเอ้มันก็ไม่มันมันรู้จะไปที่ไหนเพราะมันเจ้าของดูมันอยู่อจมพืสูมกันหลับจิตมันก็หลับก็ว่าจิตสงบจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วไงปอนไม่ไปนั่นเนี่ย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 เพะอะไเพราะใจของเราไปกินอารมณ์ออกไปเพ่นผ่านข้างนอกแต่ท่านใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละนัทักถิถสันติจะเกิดขึ้นกับเราในเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วทีนี้นาจิตที่รวมสงบนั้นน่ะนามาพิจารณาทางด้านปัญญาจะเห็นได้ชัดทีนี้พิจารณาร่างกายก็เห็นได้ชัดพิจารณาขนพิจารณา ผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาหนังหนังทำไมเราจึงหลงหลงหนังใช่หัหยหนังหุ้มอยู่ในร่างกายถ้าถลกหนังออกไปแล้วเป็นยังไงสวยงามไหมใจถามดูสิถามใจเป็นไงใจถ้าถลกหนังออกไปมีแต่เนื้อแดงเถือกขึ้นมาเป็นยังไงใจสวยงามไหมแล้วเอาเนื้อออกชำละเนื้อออกไปแล้วยังเหลือแต่กระดูก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 ได้จะไปยึดอย่างอื่นถ้าเป็นตัวตนของเรามันได้ไหมเหัอใจนี่แหละอันนี้คือถ้าจะพูดไปหรือว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เข้าใจในใจให้วางให้วางให้รู้จักปล่อยวางในใจอันนี้เป็นธรรมะสําหรับส่วนตัวคือพระหันก็ดีพระอริยะบุคคลก็ดีมันไม่ใช่ว่าจะอยู่ เพ่นพ่านเอาไปประกาศให้คนทั้งหลายรู้สราบตัวเองรู้ในตนเอง เ, อเว้นเสียแต่ ว, ว่าเออบางยุคบางการามีความจำเป็นจะต้องประกาศมาธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราจะไปพูดถึงภายนอกด้วยเอาไปพูดมันก็เท่านั้นแ่ะ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 ท่านจึงให้พิจารณาพอพระบวชหมายท่านจะให้กรรมฐานหา้าเนี่ยเกซาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกซาย้อนไปย้อนมาสองสองเที่ยวเนี่ยเกสาคือผมโลมาคือขนนะคาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังเออมีเวลาน้อยเอาเพียงเท่านี้ก่อนนะอย่าหลงนะเ่อย่าห ล, นะลงตัวเองนะร่างกายของเรามันมีเท่านี้แหละ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 สวยงามได้ที่ไหนถ้าเราตกแต่งก็าบอกฟันสวยนะแต่โจเหมือนกันถ้าเราอาบชำระร่างกายขึ้นมาดูๆูแล้วเอามีอะไรมาชโลมมาทาของผุด ผ, ผาดหลงหนังที่แท้ปล่อยททตามธรรมชาติถ้าเราไม่ล้างไม่อาบน้ำหน่อยสิสักเจ็ดวันเป็นยังไงเราเห็นไหมผู้ที่เขาเดินข้างถนนผมยาวๆเขาไม่อาบน้ำมันเป็นยังไง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 ท้งรักทั้งโลภท้งโกรธท้งหลงมารุมมาตุ้มเข้าสู่จิตใจใจของเราจะหาความสุขได้อย่างไรมีแต่เรื่องกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหามารุมมาตุ้มในจิตในใจแล้วมันมองหาช่องหาทางไม่ออกละถ้ามีทำอยู่ในใจก็อย่างที่ผมได้พูดให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นเป็นจริงแล้วเราจะวาง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 เราก็จะได้วางแผนถูกนะเพราะว่าเราได้พิจารณาทั้งสองเงื่อนแล้วทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงทั้งรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรนะการพูดแล้วกันแน่แนววันนี้ก็เห็นว่าสงควรกับการเวลาขอหยุดติ